อย่างนี้ก็ยังเห็นกายน่งามอยู่ก็ไล่ไปตามดับไปพิจารณาควาเป็นปฏิกูลในส리 ล, ล่าในการ 3.2 คือกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บเป็นต้นหลังจากนั้นก็มีการประมวลอารมณ์ให้ใจเข้าเราให้ใจออกอิริยาบถสีสัมปชัญญะเจตอาการ 3.2 มาพิจารณาดูความเิ็ธาตุเห็นไหมเอาประมวลมารวมกันนะเนี่ยพิจารณาอย่างไรสมมุตินะเจรนานาปนาสสีจบลงไปแล้วก็ยังเห็นกายนิยามอยู่ จเจริญียาบทสียืนเดินนั่งนอนนี้ก็ยังเห็นกายรูปรกายนี่งามอยู่ถ้เาจเจริญสัมปชัญญะเอาแยกแยะออกปเป็น7ดหมวด น, นะคือการกล้าวไปการถอยกลับกลับเป็นต้นเหล่านี้นี่ก็ยังเห็นกายนี่งามอยู่เอาสิพิจรารณาการส2งสุดสองเลยกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันก็ยังละสุภาพวิปลาสไม่ได้พอละสุภาพวิปลาสไม่ได้ท่านก็เลยประมวลบอกเอาเอานี้ก็แล้วกันเอาพิจรารณาเห็นเป็นความเป็นธาตุใช่ไหม ในกลุ่มนี้คือดินน้ำไฟลมเป็นต้นนี้กลุ่มธาตุดินนะอะกลุ่มนี้ธาตุน้ำกลุ่มนี้ธาตุไฟกลุ่มนี้ธาตุลมพอพิจารณาต่างๆมิตดังกล่าวมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะละสุภาวิปราสในกายไปได้อยู่พระองค์ก็บอกว่าโอ้อยางนี้แสดงว่าปัญหาหยา่แล้วงั้นเอานี้ก็แล้วกันเอาป่าชา 9, ้าก้าวมาพิจารณาก็แล้วกันในกลุ่มนี้แสดงว่าเหม่่่ไล่ตามลำดับก็ยังเห็นกายนี้งามอยู่ใช่ไหมก็อเอาเลยเดี น, นี้เอาซาศกศพเริ่มตั้งแต่พองขึ้นเนะจะเริ่มเขียวช้ำตามลําดับ พิจนารณาไปเรื่อยจนเหลือแต่ว่าเป็นผุยผงอะ่ะกลายเป็นกระดูกอะ่ะถ้าขนาดนี้ก็ยังละคือพาวิปลาดไม่ได้ไม่เหมาะแล้วกายกายานุปัสนาสติปัฏฐานนี่ไม่เหมาะในท่านบุนั้นแล้วน่นไปหาเวทนานุปัสนาใหม่ขยายอย่างเดียวนี่ทำไมพระุทธเจ้าจึงสแสดงไว้หลากหลา ย, สยแสดงไว้หลากหลายก็เพราะเพื่อให้เหมาะแก่อัธยาศัยของสรรลกไม่ใช่สแสดงตามความต้องการของพระ อ, องค์นะไม่ใช่โอ้พระพุทธเจ้าต้องการจะมาสแสดงให้มากๆก็อย่างนั้นเราไม่ใช่ คืออัธยาศัยของตัณฑโลกนั้นจับบรรลุได้ด้วยฟังทำอะไรบับไหนเป็นต้นพระองค์ก็แสดงตามอัธยาศัยของท่านดูนั้นฉะนั้นในครั้งนี้ที่บอกว่าจะกล่าวก็ถือว่าในการเจริญอียาบทบับทั้งนี้ก็มาพิจารณาจากพุทธพจนิยมหน่อยเอชา้าต่อย่งเช้าหน่อยนะแต่ต้องมีการเริ่มต้นหน่อยเพราะว่ากลุ่มที่บุคคลที่ไม่ได้ฟังตอนเชาน้าที่บอกว่าอาบาลีมาที่บอกคัดฉั้นโตวาคัดช้ามีสีประชานาติ บาลีตรงนี้ก็แปลว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินคือคือแปลต้องแปลตามนี้ไปก่อนนะคัดฉันโตวาทฉามีติประชานาตีเนี่ยเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินคือคือบางท่านเขาไปแปลว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่ารูปเดินคือแปลไปตามตรงตัวเลยก็แล้วกันว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเนะถูกแต่เวลาจะไปใส่ใจมนสิการตามที่ได้กล่าวใช่ไหมว่าเอามาพิ่งชีนิดเอามาไข้ครวนเนี่ย เพราะคสอนของพระเจ้านี่ทนต่อการเพ่งอยู่แล้วคําว่าทนต่อการเพ่งก็คือว่าเอามาพินิษฐพิจารณาเนี่ยจากที่ไม่ชัดจะชัดขึ้นจากที่มัวมัวเนี่ยไม่ชัดเนี่ยมัวเพ่งพินิษ์พิจารณาไปแล้วเนี่ยจะชัดขึ้นไม่เหมือนสิ่งอื่นไม่เหมือนน้ำเอาไว้กลางแดดใช่ไหมยิ่งร้อนแล้วน้ำก็าหายหมดแต่คำสอนพระเจ้ายิ่งเพ่งยิ่งพินิษฐ ย, ยิ่งพิจารณายิ่งไข้ตัวเนี่ย จะยิ่งชัดขึ้นในกระแสจิตของสัตว์โลกคุณนะท่โตวาที่โตมิหติประชานาติเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนนิสินโนวานิสินโนมิหติประชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งสยาโนวาสยาโนมิหิติประชานาติเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนอันนี้อันนี้เป็นงั้นพระองค์เน้นคําว่าประชานาติที่ว่าวันเช้าเนี่ยประชานาติเนี่ยแปลเป็นไทยว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีหลายฉบับ แปลเป็นสองในยะรู้ชัดกับรู้ทั่วถ้าหาผู้ที่ไม่รู้ที่มาก็ต้องทําความเข้าใจตรงเนี้ยคําว่าป่านี่เป็นอุปสรรคไหยเป็นอุปสรรคในภาษาบาลีนะเพราะแปลว่าชัดชาหน้าแปลว่ารู้ประชาชนาก็แปลว่ารู้ทั่วรู้รู้ชัดคํานี้เป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาเนี่ยแปลว่ารู้โดยประการต่างๆหรือรอบรู้ในกองสังขารนั้นๆเนี่ย ฉะนั้นียาบทยืนอิยาบทเดินอียาบทนั่งียาบทนอนนั้น่ะียาบทยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอียาบทนะอันนี้เป็นกายประโยชคะหรือกาอยวินยักเป็นการขยับพเพื่นเคลื่อ น, นไหวทางกายทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้ก็ไปดูในภาคของอัตฉริยอัตฉริยะมันบอกว่าในการศึกษาคําสอนในอัตฉริยะของ สติปฐานสูตรเนี่ยมีชื่อเรียกว่าปปัญจะสูทนีอัตกกถาปปันเจสูทนีอจักกถาปัปัญจะสูทนีอจักกถาเนี่ใครรู้รู้ชื่อไหมชื่อคมพีเนี่ยท่านเรียกว่าปัปัญจะสูทนีอจักกถาใช่ไหมแล้ท่านผู้ใดเป็นคนอธิบายสติปทานในภาคของอจักกะถาเนี่ยรู้จักชื่อไหมเมื่อเวลาเรียนอวิธรมมาปีดกเนี่ยอวิธรมมาแต่สังขารเนี่ยใครนะอจักกถาที่ท่านเขียนอวิธรมมาต่สังขาร พรกรอนเนี่ยชื่อว่าอะไรใช่พระสุตอาจารย์ใช่ไหมพระนรุตอาจารย์ทีนี้ถ้าปปันยศุธนีอัตถกาฐนี่มีใครพระพุทธโกศอาจารย์นะพระพุทธโกศอาจารย์ที่ทำให้เราได้รู้ชื่อของเจ้าของผู้อธิษานอธิบายนะพระพุทธโกศอาจารย์เนี่ยท่านท่านขยายเขาไว้ทีนี้วิธีการขยายความหรือปการทมคําสอนในพระไตรปิฎกมีหลายวิธีนะในอีอาบทบาทเนี่ ย, ท, ยท่านอธิบายแบบปฏิเสธในคัมภีร์อื่นก็เหมือนกันนะ เช่นในมงคลสูตรเนี่ยมงคลสูตรเนี่ยเวลาผู้เจ้าแสดงเนี่ยสแสดงบอกว่าอาศัวนนาจะพารนานังบัณฑิ ต, ตา น, นันจะเสวนาปฏิเสธก่อนไนะ้ยคือกล่าวถึงกล่าวถึงบุคคลที่ไม่ควรคอบก่อนแล้วก็จะกล่าวถึงบุคคลที่ควรครบทีหลังหมายบอกว่าเออเนี่ยคนทานเป็นอย่างนี้อย่างคําว่าคนทานเนี่ยนะถ้าพูดถึงคนทานและบัณฑิตเนี่ยอย่างเราที่มานั่งกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นคนทานและเป็นบัณฑิต ถือว่าพานหรือบัณฑิตยิ่งคำว่าพานหรือบัณฑิตเนี่ยถ้าไปดูในทุกกมาติกาเนี่ยท่านแสดงใช่ไหมพาราธรมมาเนี่ยคงทาได้แก่อภุ ষ ฏและจิตสิบสองเกิดศึกทีเจ็ดเออนี้บอกบอกอะไรรู้ไหมเออแสดงให้เห็นชัดว่าเวลาใจโลภะโทสะมโหหะเกิดขึ้นในท่านบุไดในเวลานั้นจัดว่าท่านบุณัตเป็นภาลชนเออในเวลาใจมหากุศฏเกิดขึ้นในเวลานั้นถือว่าเป็นบัณฑิต ถ้าสรุปแล้วคนเราเป็นทั้งพานและบัณฑิตได้ใช่ไหม <Yeah. S 1> ฉะนั้นบางครั้งเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ควรคบบางครั้งก็ควรคบใช่ไม่ใช่เพราะบางครั้งก็กุศลแลจิตเกิดบางครั้งก็อกุศลจิตฉะนั้นถ้าถามบอกว่าถ้าถามเราทั้งหลายบอกเออตอนนี้เราเป็นคนที่น่าไว้ใจไหมเราจะตอบก็ว่าไงเราก็ต้องบอกว่า บางครั้งก็หน้าไว้ใจบางครั้งก็ไม่หน้าไว้ใจเราเป็นคนที่ควรคบไหมบอกบางครั้งก็ควรคบบางครั้งก็ไม่ควรคบฉันมีอยู่คำหนึง่งที่เขบอกว่าอาศัยวนายภารานังใช่ไหมอย่าคบกับคนพานฉะนั้นอย่าคบกับคนพานถ้าเราไปชี้ตัวบุคคลเลยมันหา ย, ยากใช่ไหมแต่เราบอกอย่าไปคบกับอกุศลจิตสิบสองนะอย่าไปคบกับโลภะจิตโทสาจิตมั่วจิตนะตัวนั้นถ้าอย่างนี้เออชักใช่ไหมอย่างนี้ชัดบอกเราไม่คบไม่คบคนพานอีกแล้วต่อไป ถาม่าคนพาณอยู่ไหนบางทีมันก็วิ่งมาเข้าในบ้านเรานี่ยแล้วเราก็ต้องกอดป้องกันกันไว้งั้นในยาของการแสดงสติปัฏฐานสูตรนี้เหมือนกันเพราะพระเจ้าเออท่านป้าอัตถะอาจารย์ท่านบอกว่าอย่างยกตัวอยา่างเช่นในอัตถาในม ง, มงกลสูตร ท, ท่านไหนบายว่าพระ อ, องค์ตรัสถึงข้อห้ามก่อนแล้วก็ตรัสข้ออนุญาตเหมือนเหมือนคนที่ฉลาดในการที่บอกทางเนี่ยท่านเรียกว่าเอเอเอย่าไปทางซ้ายนะเนี่ยจงไปทางขวาเนี่ยคือบอกห้ามก่อน แล้วก็บอกอีกข้อที่หลังในปปัญจะสุธนีอัจฉริะท่านอถาธิบายในเอียบทบัรบอกว่าที่เป็นสติปัฏฐานกับที่ไม่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยคือการยืนการเดินการนั่งการนอนที่เป็นสติปัฏฐานอย่างหนึ่งการยืนการเดินการนั่งการนอนที่ไม่เป็นสติปัฏฐานอย่างหนึ่งท่านก็ยกตัวอย่างบอกว่าสุนัขบ้านสุนัขยิ่งจอกทยกตัวอย่างนะบอกสุนัขบ้านสุนัขยิ่งเจอก แม้มันเดินมันก็รู้ว่ามันเดินมันวิ่งก็รู้ว่ามันวิ่งมันล้มตัวลงนอนก็รู้กว่ามันล้มตัวลงนอนสรุปว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขบ้านหรือสุนัขยิ่งจอบเป็นต้นเนี่ยเวลามันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเนี่ยมันรู้ไหมบอกรู้ใช่ไหมแต่การรู้เนี่ยไม่เป็นสติปัฏฐานเพราะว่าเขาองไม่ได้หมายถึงการรู้ในลักษณะอย่างนั้นที่บอกเออแล้วคนทั่วไปล่ะคนทั่วไปที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่ได้ฟังสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยเขาก็ยืนเขาก็เดินเขาก็นั่งก็นอนแล้้วเาก็รูนะ ว่เลยตอนนี้คุณทำอะไรบอกกาลังเดินอยู่กําลังนั่งอยู่กําลังยืนอยู่กําลังนอนอยู่หรือจะไปเดินจะไปนั่งจะไปนอนเคยยืนเคยเดินเคยนั่งเคยนอนเนี่ยเขารู้ทั้งนั้นแต่การรู้อย่างนั้นไม่เรียกว่าสติปัฏฐานภาวนาไม่เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานภาวนาเพราะอะไรการรู้แบบนี้เป็นการรู้แบบสัญชาตญาณรู้แบบสัญชาตญาณรู้ด้วยจิตรู้ด้วยวิญญาณทั่วไปใช่รู้ด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่น จากคูวิญญาณเนี่ยเขาก็รู้ใช่ไหมจากคูวิญญาณรู้รูปารมณ์โสตวิญญาณรู้ศัทธารมณ์เนี่ยรู้เนะียการรู้อย่างเนี้ยไม่ต้องไปขัดเกลาอะไรเลยรู้ได้หมดจากคูวิญญาณที่เกิดกับอบัยศาสตร์ก็เห็นรูปอารมณ์จากคูวิญญาณที่เกิดกับมนุษย์เทวดาชมเป็นต้นไปเห็นรูปารมณ์เหมือนกันหมดแต่ว่าการรู้อย่างนี้เนี่ยการรู้อย่างนี้เป็นการรู้ที่ไม่ประกอบไปด้วยตรศึกขาก็คือไม่ได้ทําศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในการรู้ใช่ไหม การรู้เอียบอดยืนเดินนั่นอนอย่างนั้นเนะี่ยเป็นไปตามธรรมดาเท่านั้นเองไม่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นปัจจัยในความสิ้นทุกข์ทีนี้การรู้ในลักษณะอย่างนี้เนะี่ยถามว่าโดยมนุษย์โดย ท, ทั่วไปเนี่ยพระเจ้าตรัสอ น, นิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานไว้บอกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าเจริญสติปัฏฐานเนี่นยบอกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจะได้ผลสองประการคืออาจจะผล ถ้ายังมีอยู่ปาทานเหลืออยู่จะเป็นป้านาทาอันนี้ตัด บ, บอกอา น, นิสงส์เอาไว้แสดงให้เห็นชัดว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยยืนเคยเดินเคยนั่งเคยนอนใช่ไหมบ่งบอกให้เห็นชัดว่าการยืนเดินนั่งนอนของจัตติโลกโดยทั่วทั่ ว, วไปแม้แต่ เ, เราท่านทั้งหลายมีปัญหามีปัญหาตรงที่ว่าไม่ได้เจรรยาติประฐานแน่นอน เพถ้าหากว่าได้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันเราเดินยืนนั่งนอนเลยเจ็ดปีแล้วคุณโยมสมานนี่จนเจ็ดปีแล้วไม่ได้แทงตลอดสัจจะนี่บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนที่ผ่านมานั้นไม่เป็นการเจริญตามแนวสติปัฏฐานไม่เป็นคัตชันโตวาคัตฉามีติประจานาติเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินแสดงว่าไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงแน่นอนใช่ไหมสติปัฏฐานภาวนาจริงไม่เกิด แล้วก็ไม่ได้ผลสองประการคืออาหัตผลกับอนาถาถ้าอุปาทานยังเหลืออยู่เป็นบ้าะอนาถาฉะนั้นเพราเราคนหลายๆคนหรืออย่างกลุ่มที่เรามานั่งกันเนี่ยต้องถามว่าเดินเกินเจ็ดปีเกินแล้วนั่งละเกินแล้วนอนละเกินแล้วยืนแล้ะเกินแล้วไม่ได้ผลทั้งสองประการอย่างที่พระเจ้าบอกอันนี้สองก็ไว้เลยใช่ไหมใช่ลองไปดูที่สรุปในสติ ป, ปานสูตรเนี่ยสูตรที่สิบในมันชฌิมนิการมูลบันนาสสรุปมีผลสองประการนะเจ็ดปีอย่างมากเจ็ดวันอย่างตำ่ำ เดินมาเกินเจ็ดปีแล้วย้อนกลว่าไงเนี่ยว่าไงเราจะเดินไปอีกกี่ปีเนี่ยสังสารวัตรนี่ยาวนานแน่ถ้าหาไม่มีสติปัฏฐานในการยืดเดินนั่งนอนค่อนข้างตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยต้องเดินกันไปอีกยาวนานถึงจอเดินแบบมีสองเท้าก็ยังหน้าเดินอยู่ใช่ไหมบางทีสีเท้าที่เดินลําบากเลยเดินลําบากแล้วฉะนั้นการเดินที่ไม่เป็นไม่เป็นการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นการเจริญใจสิกขาไม่ได้เป็นเจริญสีสมาธิปัญญานั้นเนี่ย มื่เดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งตามธรรมดาทั่วๆไปอัตมาทาท่านยิงเตือนว่าสุนัขบ้านสุนัขที่จอกมันก็รู้ว่ามันยืนมันเดินมันนอนมันนั่งมันมันลบตัวลงนอนไปต้วเหลานี้มันรู้แต่การรู้แบบนี้ไม่สามารถละสตูสปะทิคือความยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลและก็ไม่สามารถจะถอนอัตมสัญญาที่สําคัญว่าเป็นอัตมาได้เลยสนุกว่าละอิเลส หมายคืนความว่าละตัณหามานาทิฏฐิอะไรไม่ได้เลยทั้งไม่เป็นกรรมฐานและก็ไม่เป็นการเจริญสติปัฏฐานภาวนาด้วยถามว่าเพราะอะไรยังไม่เป็นเพราะทุกคนที่ไม่ได้ศึกษาในไตรศึกขาที่เป็นคําสอนก็รู้กันแบบนี้มานานแล้วก็รู้แบบนี้มานานแล้วถ้ารู้เช่นนี้เป็นปัญญาเป็นสมาธิในอริยมรรคพระพุทธองค์ไม่จําเป็นต้องนําอียาบทบอกมาสแสดงอีก จึงขอเน้นบ ว, ว่าการรู้อย่างนี้ไม่เชื่อว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานในพระธรรมนินยัยนี้ฉะนั้นการรู้ที่ผ่านมานั้นไม่ใช่เป็นการรู้ในการเจริญสติปัฏฐานในพระธรรม น, นิยายนี้หมายความในพระธรรมนิยามของพระพุทธเจ้าทีนี้ในการเจริญสติปัฏฐานสู่เทโอองค์ตรัสถึงการพิจารณาียาบทภายในและภายนอกด้วยคนทั่วไปรู้ียาบทภายในคือกายของตนเองแม้ียาบทภายนอกคือกายของผู้อื่นเขาก็รู้ด้วย เช่นใครยืนใครเดินใครนั่งใครนอนรู้หมดไหมว่ารู้แต่เขารู้อย่างนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยการรู้มากผลอะไรแต่เป็นการเพิ่มยีเดีมากขึ้นใช่ไหมเช่นเราไปรู้อิยาบทของบุนคคลอื่นเนี่ยถามว่ารู้ไหมรู้เช่นคนนั้นกําลังยืนกําลังเดินกำลังนั่งนั่งกําลังนอนเนี่อรู้อียาบทภายนอกรู้ไหมรู้แต่กับยิ่งเพิ่ม เพิ่มราคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดมากขึ้นโทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดมากขึ้นโมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดมากขึ้นดามยิงเคยหมันได้คนอื่นเดินมืนคือเห็นเดินแล้วเราขัดตาขัดใจแล้วเดเนี่ยอันนั้นเป็นการเพิ่มโทสะใช่ไหมหรือบางครั้งเนี่ยบางคนก็ชอบไปดูเขานุ่นสงสวยๆงามๆเดินว่าเดินสวย ง, งามจริงๆถ้าเวลาอันนี้เพิ่มราคะอันนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่าเนี่ยไม่เป็นสติปัฏฐานต่อไปนะถ้าในสมัยขับพุทธกาลเนี่ยพระนาคสมารถแล้ เห็นนางรำที่เต้นรำกลา ง, างนถนนถนนหลวงใช่ไหมยะเพราะเต้นรำกลา ง, างนถนนหลวงแล้วก็ท่านยืนเพ่งพิจารณาอุกกระัเห็นกระราชกายกาลังอ่อนช้อยไปตามแรงพิ้วไหวตามจังหวะท่านไข้ควรยังไงรู้ไหมท่านเมือกระราชกายพิ้วไหวไปได้เพราะมีลมพัดอยู่ภายในเพราะมีวายโยธา วายโยธาที่อยู่ภายในนั่นเองทําอียบท้องนางนั้นใองคลื้วไหวไปตามลมภายในเออลมภายในที่เกิดทัดผันเอียบดท้องนางให้คลื้วไหวอ่อนช้อยได้เพราะมีจิตจิตของนางนั่นคิดใช่ไหแล้วจิตของนางที่คิดไปได้นั้นเพราะมีเสียงดนตรีโอ้จิตฟังเสียงดนตรีดนตรีเป็นปัจจัยแก่จิตจิตเป็นปัจจัยแก่วายโยธาตจิตแต่วายโยธาตจิตแต่วายโยธาเป็นปัจจัยแก่ยาบทที่เคลื่วไหว ท่านแยกแยกนามรูปออกจากกันได้แยกแยกปัจจัยได้เห็นความไม่เที่ยงของปัจจัยของนามรูปเป็นต้นเหล่านี้ยังลงสู่ใจละน้อมสู่กายตนเองพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วน่ะตัดชั้นธละคะบรรลุปเป็นป่าหลานในขณะนั้นเอาเห็นมาเห็นกายภายนอกเนี่ยด้วยการที่ท่านไม่ทําให้ปัญหามานาทิฏฐิเกิดขึ้นในการเห็นกายในกายภายในและภายนอกเลยเราดูคนเต้นลํามันมาเยอะแล้วจาได้ยัง ไม่เคยคิดเลยนะว่ากรรมฐานจะเกิดแบบนี้หรือสติปัญฐานภาวนาจะเกิดอย่างนี้อันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าไม่รู้ชัดในียาบททั้งภายในภายนอกจริงๆทีนี้อารก็ตั้งคำถามว่ารู้ชัดเนี่ยจิตหมายเอาว่าหมายเอารู้ด้วยปัญญาเนี่ยคนะือเขาบอกว่าการรู้ชัดเนี่ยรู้ด้วยปัญญาเนี่ยก็ต้องไปหาสืบหาปัญญาแล้วปัญญานี่ไม่ได้เกิดในกุศรจิตจริงไหมปัญญาเกิดในมหากุศลจิต ที่นมหาคุณสนธินามีสองกลุ่มเป็นญาณสัมปยุทธ์กลุ่มหนึ่งและปัญญาณนามีปัุทธ์กลุ่มหนึ่งนี่แสดงให้เห็นชัดว่าความว่รู้ชัดเนี่ยเดินก็รู้ชัดว่าเดินเราเดินยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนเนี่ยจะต้องเป็นมหาคุณสญาณสัมปยุทธ์เอจะต้องเป็นมหาคุณสนญาณสัมปยุทธ์เป็นการรู้ที่เป็นไปตามหลักไตรสิกขาเพราะอะไรถ้ามหาคุณสนญาณสัมปยุทธ์เนี่ยเกิดขึ้น แล้วในขณะนั้นเนี่ยปารบในการพิจารณาสติปัฏฐานในยาวดมาพุทโนั้นเป็นยาณสัมบยุทธ์เนี่ยมีปัญญาด้วยมีเอกขตาด้วยมีความเพียรเนี่ยถ้าเราสงเคราะห์อย่างนี้นะว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาออาชีวะนี่เป็นสีสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธิแล้วก็สมาธิตี่สมาสังกปาเป็นปัญญาใช่ไหม ตอนนั้นจเจริญมากใช่ไหมไตรสิกขาหรือเจริญมากแปฉะนั้นในขนาดนั้นน่ะหมากุสน ญ, ญาณสัมปยุทธเกิดขึ้นนั้นน่ะไปพิจารณาอะไรถ้าอยู่ในยาบทนั่งก็พิจารณาย า, ยาบทนั่งหรือไขครวญในยาบทนั่งถ้าอยู่ในยาบทเดินยืนหรือนอนก็ไปไข้ครวญพิจารณาที่พารู้ชัดในที่นั้นก็แปลว่าเป็นปัญญา น, นั่นเองปัญญาที่เป็นอธิปัญญาสิกขาที่เป็นพิเศษในหมาปุสนญาณสัมปยุทธเนะี่ยแค่นั้น อาตถาท่านถึงบอกว่าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการจเจริญียาบทบัพท่านเลยตั้งเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการเดินก่อนบอกว่าหนึ่งใครเดินเนี่ยแม้ท่านจะตั้งเลยถ้าไปดูในอาตถาในปปันยสูทรีเดี๋ยท่านบอกว่าใครเดินข้อแรกท่านตั้งปัญหาอย่างนี้นะตั้งปัญหาเป็นคําถามก่อนคำถามที่สองว่าการเดินเป็นของใครหรือการเดินของใคร ประธานที่สามก็ว่าเดินได้ด้วยเหตุอะไรเนี่ยทั้นตั้งสามคำถามนี่นะแล้ให้ตอบท่านวลาเห็นเดินก่อนเนี่ยเอียบบทเดินเนี่ยท่านให้ใส่ใจพิจรารณาเอียบบทเดินเนี่ยบอกว่าถามว่าใครเดินเนี่ยถามคำแรกว่าใครเดินแล้วก็ถามทุกคำว่ะใครยืนการยืนของใครยืนด้วยเหตุอะไรใครนั่งการนั่งของใครนั่ ง, ง, งด้วยเหตุอะไรใครนอนการนอนของใครนอนด้วยเหตุอะไรสามคำถามในยาบทสี่สามสี่เท่าไหร่สิบสอง ติดสองคำถามคำตอบคำถามเหล่านี้ที่นี่นเป็นการเจริญสติปัฏฐานลำดับแรกท่านถามว่าใครเดินแล้วท่านก็ตอบเองนะการการถามตอบอย่างนี้เขาเรียกอะไ ร, ร, ะเรกเถิดตุกามยาตาปุจฉาถามถามเพื่อตอบเองทำให้ถ้าสมมุติไม่ไม่เอากระเถิดตุกามยาตาปุชฌามาถามถ้าถามถามให้ื่อทำให้ตอบถ้าถามโยมสมานใครเดิน ย้อมาตอบไงเอาท่านต้าเลยเอารูปเดินเลยเนะแต่ท่านไม่ตอบท่านนะตำถามท่านบอกว่าไม่ใช่สัตว์ตัวไหนเดินบอกไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ตัวไหนเดินนะไม่ใช่คนไหนเดินไม่ใช่มีสัตว์บุคคลอะไรไปเดินไม่มีใครไปเดินว่างั้นดังนั้นคําถามที่ว่าใครเดินเนี <hacen> <tr igger> ่ยไม่ใช่สัตว์เดินไม่ใช่คนเดินไม่มีสัตว์บุคคลคนไหนไปเดินฉะนั้นคําถามว่าใครเดินเนี่ยเป็นคําถามที่เป็นโมฆะโมฆะ เพราะแยกแยะวิเคราะห์โดยละเอียดถึงพัภาวะธรรมโดยเอาขันเอาธาตุเอาอายตนะไปจับแล้วเนี่ยหรือโดยปฏิจจสมบาตไม่มีสัตว์อยู่จริงเลยไม่มีสัตว์อยู่จริงเลยนะเอาขันเอาอายตนะเอาธาตุไปจับดูแล้วเนี่ยไปพิจารณาตามหลักปัญญาการเป็นต้นเ euh นี่ยไม่มีไม่มีสัตว์เดินไม่ใช่สัตว์เดินไม่ใช่บุคคลเดินไม่มีหญิงชายคนไหนไปเดินฉะนั้นท่านจึง ท่านจึงบอกคำถามเนี่ยถามผิดนะถามว่าใครเดินเนี่ยคำถามเนี่ยถามผิดไปยกสัตว์บุคคลมาถามเพราะประการต่อมาก็คือการเดินเนี่ยของใครการเดินของใครคําตอบก็คือว่าไม่มีการเดินของสัตว์ตัวไหนหรือเป็นการเดินของใครคนไหนอีกเช่นกันการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เข้าไปพิจารณาเห็นสัตบุคคลตามสมมุติไม่ใช่ไปพิจารณาเห็นสัตบุคคลตามสมมุติ ไม่ใช่การเข้าไปพิจารณาเห็นสัตว์บุคคลตามสมมุติตามโมหารของชาวโลกเพราะถ้าไม่แยกแยะเพื่อจะละคายวิปลาสหรือกิเลสต่างๆแล้วเนี่ยความเข้าไปเห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามชาวโลกแล้วอันนั้นไม่เรียกว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานเพราะไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่สามารถจะทําให้กิเลสหมดไปได้แล้วก็ไม่เป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ได้ทีนี้แล้วผู้ที่กําลังเจริญสติปัฏฐานอยู่เนี่ยถามว่าผู้เจริญมา จเจริญ ม, มานานจนสติเป็นพระเขาจะรู้ไหมว่าสมมุติเราสติมีกําลังจนเป็นสติพระแล้วเนี่ยเป็นสติสําโพชงเป็นต้นที่เบื้องต้นเนี่ยนะเขารู้ไหมว่านั่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามสมมุติโีหานก็ต้องบอกว่ารู้แต่เขาไม่ได้สําคัญหมายด้วยอำนาจแห่งตัณหามานาเลชิติเขาจําแนกแยกแยะละเอียดเขาเรียกว่ารู้ชัดรอบรู้ทั่วและรู้เหตุปัจจัยเป็นต้นตรงนี้ท่านโอมาเยี่ยวว่า นายช่างผู้ชํานาญในเรื่องรถเนี่ยบวกเขาสามารถแยกแยะชิ้นส่วนต่างๆของรถรู้การทํางานของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบโดยไม่มีความสําคัญผิดในเวลาที่รถมันวิ่งรถมันถอยหรือรถมันอยุดทั้งไม่ได้ยึดติดอยู่กับที่ห้องรถว่าเออคนปดีบุคคลหรือตัดปดีไม่มีอะไรต่างในกับอย่างที่ห้อรถฉะนั้นการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นต้นเนี่ยไม่ต่างอะไรจากรถวิ่งรถหยุดรถจอดเนะไม่ต่างกัน เ ข, เขาสามารถรู้รายละเอียดได้ตรงนั้นคำถามที่สามบอกว่าเดินได้เพราะเหตุอะไรตรงเนี้ยท่านว่าขยายตรงเนี้ยเดินได้เพราะการแผ่ขยายไปของวายโยธาเรากว่าอียบทเดินเนี่ยที่มีการเดินติดข้างหน้าไปต้นเนี่ยเพราะการแผ่ขยายไปของวายโยธาคือธาตุลมที่เกิดจากจิตนั้นธาตุว่าจิตคิดจะเดินเนี่ยนะเพราะจิตแต่ถวายโยธาเนี่ยนะหมายถึงวายโยธาตที่จิตทําให้เกิดขึ้น ทีนี่วาโยธาเนี่ยแหละเป็นเหตุให้อิยาบทเดินวาโยธ า, าจริงๆแล้วจิตตชวาโยธาเนี่ยพิสูรรู้ชัดในรู้ยังไงหนึ่งอียาบทเมื่อจิตคิด จ, จะเดินเกิดขึ้นจิตนั้นก็เป็นปัจจัยแก่วาโยธาตวาโยธาตก็แผ่ขยายไปทันทีที่จิตคิดโดยตรงนี้ตรงนี้เราพิจารณาอย่างนี้เาว่าเออพอพอพอจิตคิดจะเดินเนี่ยจิตคิดจะเดินปุ๊บเนี่ย วาโยาธาเนี่ยเขาเรียจิตแต่ชาวาโยาธาจะแผ่ขยายไปเลยเพอแผ่ขยายไปปุ๊บเนี่ยจิตนั้นเป็นปัจจัยแก่วาโยาธาวายโยธาแผ่ขยายไปทันทีที่จิตนิ้นั้นก็ทําให้อวัยวะต่างๆมีแข่งมีขาเป็นต้นเคลื่อนไหวทําให้กายทั้งหมดเนี่ยโน้มไปข้างหน้าเวลาคนจะเดินเนี่ยกายทั้งหมดนี่นะมีการโน้มไปข้างหน้าอีาบวดเดินก็เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวของกายทั้งหมดก็เป็นอีาบวดเดินเนี่ย เป็นไปด้วยการแผ่ขยายใจของวาโยธาที่เกิดจากจิตนี้เรียกว่าการเดินนะถ้าเรามองนี่นะอเออพอจิตคิดจะเดินเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยวายโยธาแผ่ขยายกายท่อนบนก็มีการโน้มไปข้างหน้าหน่อยแล้วก็ทําให้ขาแข้งเป็นต้นเหล่านั้นมีการก้าวไปโอ้จึงเรียกว่านสัตว์เดินเหมือนงั้นพอรู้ว่าจึงรู้ว่าสัตว์เดินเนี่ยวิธีที่ไปไข้ควรตรงนี้ที่ว่าไปรู้ชัดรู้ชัดอะไรหนึ่งรู้ชัดจิตที่คิดจะเดิน สรู้ชัดวายโยธาที่แต่ขยายไปในกัลาณกายสามรู้ชัดียาบทเดินเห็นสามส่วนแล้วใช่ไหมจิตที่คิดวายโยธาียาบวชยากไหมยังไม่ยากใช่ไหมจิตที่คิดตรงเนี้ยเออต้องดูด้วยว่าโลภะเป็นปจัจจัยแต่การเดินได้ไหมใช่ไหมโลภะจิตเกิดขึ้นคิดจะเดินได้ไม่ได้หมารู้สึกหิวรู้สึกอยากจะพบหน้ารู้จักอยากจะเห็น แล้วอยากอยากจะไปทําอะไรเป็นต้ น, นเนี่ยโรพาจิตเกิดขึ้นพอจิตคิดทันทีอวายโยธาก็แผ่ซึมซาบขยายไปในกระดูกายกายท่อนบนก็โน้มไปแล้วก็ทําให้กายท่อนล่างเกลียวเพื่อวายว่ามีขาเป็นต้นมีการก้าวไปก็เดินกันด้วยไปด้วยโรพาที่ศาสตว์โลกรู้ไหมว่าตอนนี้ตัวเองกําลังเดินด้วยโรพาจิตพอโรพาจิตเกิดขึ้นในขณนะนั้นมีเจตนาไหมถ้าเจตนาเกิดขึ้นนั้นเขาเรียกเป็นเจตนาเป็นกรรมแล้วใช่ไหม เอาขนาดเดินไปอย่างนั้นเป็นกายกรรมหรือเปล่าเป็นอกปสุรกรรมหรือเปล่าตอนนั้นแต่โลภเดินด้วยโลภหรือเป็นกายยุจริตหรือกายยโสจริตก็ว่าไปเลยเนี่ยเป็นกายยโสจริตใช่ไหมเอาเดินทั้งวันเป็นกายยโสจริตก็ได้เอาแต่อย่างนั้นจะเรียกเดินจงกรมที่บอกว่าเดินจงกรมมีบางคนก็บอกอยากเดินหนอ <c oughs> สมมตินเนถ้าอยากเดินหนออยากนี่เป็นโลภวะเนี่ย ใชอยากเดินหนอ ja อยากเด th ินหนอก็เด ah. ินเงีไปสิอยากเดินแล้วเนี่ยเดินไปทีนี้ในในขณะที่เดินจะเป็นโลภะอ่ะทีนี้โลภะเนี่ยนะเจตนาในโลภะก็เป็นกายะทุจริตเดินไปด้วยพูดไปด้วยเป็นวจีทุจริตใจก็เป็นมโนทุจริตก็ทําทุจริตสาวไม่เป็นไปโยมสมานบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ได้กายะทุจริตวจีทุจริตมโนทีนี้อกุสุลักนะไหม ทุริตเนี่ยให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทาการเดินอย่างนี้จะเดินในสังสารวัฏอีกยาวนานมานั้นที่ผ่านมาพวกเราทั้งหลายเดินแบบเนี้ยจึงไม่พ้นทุกข์อ่ะเดินแบบเนี้ยเดินด้วยอวรรกุศลแลจิตแบบเนี้ยเดินกันไปอาจจะเดินไปประชมุมแหมวันนี้มีประชมุมโอ้โหเดี๋ยวจะเดินไปประชุมกันอีกแล้วเดินสังสารประชุมกันก็ว่ากันไปยังไเงนี่ยรักเท่าไหนเนี่ยก็บอกว่าเป็นถ้าเรามองตรงนี้ได้ว่าอย่าแตกใจเลยว่าทําไมสัตว์โลกทั้งหลายจึงออกจาก ทั้งสารวัะยากมากเพราะหนึ่งไม่มีประชานาติเนี่แหละเพราะไม่รู้ชัดตามความนจริงนี่แหละนั่นกันมาก็คือการเดินแล้วไม่รู้ชัดว่าเดินทีนี้พอไปดูียาบทอื่นก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ียาบทยืนเนี่ยบอกว่าเราจะยืนน่ะจิตก็จะเป็นปัจจัยให้แก่วายโยธา ภาวะที่กายทั้งหมดต er ั้งแต่ส่วนที่สูงสุดคือศ <un> ีรษะไปถึงถึงปลายเท้ายืดขึ้นเนี่ยการที่ใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ายืดขึ้นตรงเนี่ยนี่เขาเรียกว่ายืนเขาเรียกว่ายืนอ่ะเหตุที่ยืนได้เนี่ยวาโยธาเนะ่วาโยธาที่แผ่ไปในกระดูกกายเนี่ยทาให้กายเหยียดตรงตั้งเนี่ยเนี่เรียกว่ายืนนี่เรียกว่ายืนไอะเิตที่คิดจะยืนวาโยธาก็พัดถันไปทำให้เหยียดตั้งตรงก็เรียกว่ายืนแล้ว ทีนี้อการรู้ชัดเนี่ยรู้ไหมว่ายืนเห็นไหมเอียบทยืนกวายโยธาแล้วก็จิตที่คิดยืนด้วยโลภะก็ได้ยืนในโทสะก็ได้ยืนในโมหะก็ได้ใช่ไหมคนยืนดูภาพยนตร์ยืนดูกีฬาเนี่ยยืนกันได้เป็นวันนะไม่มีความรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยบางครั้งยืนสนุกสนานกันใช่ไหมก็เอียบวายืนดังนั้นเนี่ยเขารู้ไหมว่าเขากําลังยืนฟังอะไรอยู่รู้ แต่รู้อย่างนั้นไม่เรียกว่าปร ะ, ประชาชนาิตฉะนั้นการรู้ในลักษณะอย่างนี้นี่แหละจึงเรียกว่าไม่ไม่ไม่เป็นสติปัฏฐานไม่เป็นการเจริญกรรมฐานไม่เรียกว่าสติปัฏฐานภาวนาอะไรเลยแล้วก็เป็นไปแบบนี้ใช่ไหมยืนเอาถ้ายืนด้วยจิตที่เป็นโลภะเป็นอะไรเนี่ยเป็นทุจเรศอีกแล้วก็ไปยืนทำกองกันอยู่เนี่ยถ้าหาวันนั่งล่ะเมื่อจิตคิดขึ้นว่าเราจะนั่งจิตนั้นก็เป็นปจัจจัยจะวโยธาถึงเงินแกวโยธาแผ่ขยายไปกายท่อนท่อนล่างย่อลง กา cat, ยท่อนบนก็ยืดเหยียดขึ้นตรงการแผ่ขยายของไปจะวายโยธาที่เกิดจากจิตก็เรียกว่านั่งเนี่ยนั่งเนี ar, ่ยอย่างที่เรานั่งเนีั้งหลายเนี่ยเขาเรียกอียวยวนั่งจิตที่คิดจะนั่งก็ลองมาดูดีว่าเอจิตเนี่ยโลพาโทสาวโมหะก็เป็นปัจจัยการนั่งได้มากุศลแปดดวงก็เป็นปัจจัยในการนั่งได้โดยมากเราทั้งหลายก็ใช้เนี่ยใช้ชาวนากลุ่มเราเนี้ยยี่สิบดวงอากุศลเยอะสิบสองมากุศลเยอะแปดบาปสิบสองบุญก็อแปด ก็บาปมีทั้งสิบสองยม่พูั้งสิปดก็ลองคิดดวูวันนี้นั่งทีนี้ถ้าเมื่อจิตคิดว่าจะนอนเนี่ยนะเราจะนอนจิตก็จะเป็นปัจจัยแก่วาโยธาตการเหยียด ร, ร่างกายทั้งหมดไปตามขวางโดยการแผ่ขยายไปของวาโยธาตจะเกิเดขึ้นก็เรียกว่านอนฉะนั้นพิสูุน์ก็รูช้ชัดอยู่อย่างนี้ก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าคนทั่วไปเขาเกล่าวกันว่าสัตว์เดินสัตว์ยืนสัตว์นั่งสัตว์นอน โดยที่อัดที่แท้จริงแล้วกดัดใดใดที่เดินที่ยืนที่นั่งที่นอนหามีไหมคงมีแต่จิตที่เป็นปัจจัยแก่วาโยธาตแล้วก็วาโยธาตก็เป็นปัจจัยเกิดที่อาบทยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นรู้อย่างนี้ไหมเนี่ยท่านอุปมาบอกว่าอัตถกถานะท่านอุปมาบอกว่าเควียนไปเกวียนหยุดเป็นเพียงสมมุติโวหารเท่านั้นะแ ท, ท้จริงไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่าเกวียนไปหรือเกวียนจะหยุด แต่เมื่อสารสีผู้ฉลาดประเทียมโคสี่ตัวขับไปก็จะมีแต่เพียงสมมติว่าเรียกขานกันว่าเกวียนไปเวียนหยิบดกายนะเหมือนเกวียนนะเพราะอาจจะว่าไม่รูั่วลงรูปไม่มีเจตนาไม่รั่วลงจิตจะชะวาวโยธาจะเส ม, มือนโคที่ลากเวนรูปก็ไม่มีเจตนารูปไม่รั่วลงจิตเนี่ยเป็นนามธรรมาเหมือนสารสีผู้ขับเวียนนามมีเจตนาแล้วก็รั่วลงได้แยกแยะเห็นไหมกายคือยาบทเนี่ย เหมือนกตะเกียนเนี่ยแหละเหมือนเกวียนส่วนกิตช่าวาโยธาธาตลมเนี่ยเหมือนโคอ่ะเหมือนวัวที่ลากเวียนส่วนจิตเนี่ยที่เป็นนามธรรมเนี่ยนะเหมือนนายสารถีนายสารถีเกวียนแล้วก็มีโคโคไอ้กเกวียนเนี่ยเหมือนร่างกายนะเหมือนอิยาบทเนี่ยส่วนโคเนี่ยเหมือนวายโยธาเหมือนธาตลมที่อยู่ภายในเพราะมันลากได้หยุดได้แต่โคจะหยุดจะเดินได้เนี่ยลมมันจะวิ่งไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่จิต คนตายเนี่ยจิตจชววายโยธามีที่ไหนใช่ไหมเราไปเห็นคนตายมีไหมที่ว่าในการยกอยากกระเดียดเคลื่อนไหวไม่มีใช่ไหมถ้าคนตายลุกขึ้นมาเดินได้ไ ม, ไม่ใช่แล้วในส ม, ยมัยค ร, รั้งพุทธกาลมีเหมือนกันนะที่ว่าคนตายลุกขึ้นมาเดินเนี่ยมีไงก็บอกว่าพระท่านก็เข้าไปบ่าช้าเนี่ยท่านก็พิจรารณาศบใช่ไหมพิจรารณาอบเนี่ยท่านไปพิจารณาเห็นชาติเออจะใช้เป็นยีวรได้เป็นสมองได้ เป็นต้ น, นเนี่ยนะเป็นเป็นผ้าวิศตนาเป็นต้นได้เนี่ยท่านก็จะชักผ้าพอดึงผ้าเนี่ยเขาบอกว่าพวกอสุรกายเนี่ยเข้าสิงศกนั้นก็ห่วงห่วงผ้าห่วงผ้ามันก็จับพอผ้าดึงมันก็จับผ้าตัดกระตุกนี่ผ้าก็พิจารณาเออนี่ไม่ใช่แล้วตายเน่าอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็กระตุกแล้วก็ดึ ง, พอ ด, ง พ, อพอดึงเบสเสร็จแล้วก็ผลก็ก่อนก็คือท่านก็เดินเดินกลับไป พอรู้ว่าพอดึงกระชากลับมาได้ท่านก็รีบเดินก็เสียงเดินตึกต๊กๆึกตตามมานั่นเหลียวไปดูเอ๊ะมันเดินตามก็รียเดิน ไ, ไวๆแต่ท่านมีความรู้ใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่ละที่มีอะไรสิ่งสิงอยู่แล้วท่านก็รีบเดินหนีอย่างเร็วจอก็วิ่งตามเดินตามใหญ่ตุ๊บๆๆมาก็มาล้มอยู่หน้ากุฏิอสุรกายก็ออกไปก็ต้องมาลากศพไปที่นี่อย่างนั้นไม่ใช่มีจิตแต่ช ว, วาโยธาแล้วไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่มีธาตุลมภายในอาศัย ว, ว่าอสุรกาย ฉนั้นแตหากกายเหมือนเกวียนจิตแต่วาโยธาเหมือนโคที่ลากเกวียนตยิดเป็นนามธรรมฉะนั้นเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเราจะเดินวาโยธาก่อให้เกิดกายยญญิ่ญยั้งการเดินไปโดยการแผ่ขยายใจของวาโยธาเกิดขึ้นอันนี้เป็นโวาหารสมมุติที่เรียกกันเท่านั้นนะเราเดินจักเดินเรายืนจกันยนจกยืนความจริงเรื่องการเคลื่อนไหวยาบทต่างๆองนั้นก็เป็นไปโดยลักษณะนี้เป็นการพิจารณายไงก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็หยุดพากันไปครู่